เส้นทางบุญต่อบุญของไอดอลยิ่งต่อเนื่องยิ่งพอกหนาเป็นที่รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆบารมียิ่งกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆไอดอลที่มีความสามารถดึงดูดใจคนจำนวนมากๆหากอยากต่อบุญก็สังเกตจากกรณีศึกษาที่ผ่านมาได้คือ 1. รู้ตัวว่าเด่นเรื่องไหนทำอะไรได้ดี 2. สังเกตว่าชีวิตจะพาไปเจอจุดตัดมีคนชวนทำเรื่องดีๆให้เป็นควันตาควันใจคนถ้ารู้สึกคลิกก็อย่าลังเลเอาเลย 3. เส้นทางบุญต่อบุญนั้นยิ่งต่อเนื่องยิ่งพอกหนาเป็นที่รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆบารมียิ่งกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ทำสนุกๆทีสองทีแล้วหยุดแบบนั้นไม่ค่อยได้อะไร เมื่อคิดใหญ่ทำใหญ่ทำจริงทำนานบุญแบบไอดอลจะเบ่งบานไปอยู่ในใจผู้คนไปไหนใครก็รักเสียงด่าเสียงอิจฉาจะลดลงเรื่อยเืความสุขที่เกิดขึ้นย่อมยั่งยืนและเป็นปกติเรารู้ว่าผู้คนชื่นชมคุณค่าที่แท้จริงของตนต่างจากคนดังในวงบันเทิงส่วนใหญ่ที่ถึงจุดหนึ่งพอเห็นคนแห่มากรีดมืดฟ้ามัวดินละเบื่อใจแห้งใจมิเต็ม ใจไม่ปลืม้มเราเลึกๆรู้สึกว่าตนไม่ได้ทําอะไรคู่ควรยิ่งวันยิ่งงงว่าคนมากรีดอะไรตนเองกันนากข น, นาดในเมื่อตอนเองยังคิดแบบคนธรรมดายังเห็นแค่ความสุขส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้คิดทําประโยชน์อะไรให้กับโลกมากมายนับวันจึงยิ่งเศร้ากับความรู้สึกขัดแย้งนั้นกระทั่งรําคาญจัดขนาดมีใจเป็นศัตรูกับแฟนคลับหลายคนสารภาพว่า เห็นแฟนมาดักรอกรีดแล้วมันเห็นเหล่าเปรดร้องขอส่วนบุญซึ่งถ้าเผอิญไปบวกกับความซึมความเศร้าเหงากับโลกภายในที่มีอยู่ก่อนก็ยิ่งไปกันใหญ่กลายเป็นเบื่อโลกอยากหนีโลกไปได้ไอดอลคือคนทำตัวมีค่าและเป็นสุขกับคุณค่าที่สำเร็จแล้วคนไทยน่าถือโอกาสใช้คุณตูนบอดี้สลัมเข้าถึงความเข้าใจนี้เป็นอย่างยิ่ง